สมเด็จก็จะอยู่หัว ก, กับสนเด็จพระนาเจ้าโมระบรราชินีนารับสั่งว่าท่านพ่อเป็นเสาหลักข อ, ของประเทศไทย อ, อ, องค์ทรงฝากมากราพราชนาให้ท่านพ่อรักษาสุขภาพเพื่อจะได้เป็นร่มโพร่มใยของประชาชนคนไทยต่อไปเจาา้าค่ะ จะิริ่มพันแล้วนะ